<c oughs> สัตว์ทั้งหลายที่เราแผ่เมตตาให้อันนี้ไม่ได้หมายถึงมนุษย์อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงสัตว์สีขาสัตว์มีปีกบนฟ้าใต้ดินอย่างเดียวแต่รวมถึงเท ว, วดาด้วย สิ่งที่เป็นเพื่อนร่วมโรคหรือเพื่อนร่วมทุกนี่มีเยอะมากแม้แต่เทวดามารพรมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเพื่อนร่วมทุกนะหนีไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะมีอิจิาหรือว่าอยู่สวรรค์ชั้นสูงมากแค่ไหนนะก็ ในทางพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนรวมมตะสงสารเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเราจะไม่ได้เกิดเลยไปจากนี้พุทธศาสนานี่ก็มองว่ามนุษย์กับเทวดาก็ มีดีคนละอย่างมนุษย์เราอาจจะสู้เทวดาไม่ได้ในบางเรื่องนะแต่ในบางเรื่องมนุษย์เราก็เหนือกว่าเทวดาอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวดาอย่างเช่นเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยก็เหนือกว่ามนุษย์ในเรื่องของการมีอาหารทิดนะการมี อายุทิพย์การมีความสุขทิพย์แต่ว่ามนุษย์เราก็เหนือกว่าหรือได้เปรียบ ก, กว่าเทวดาสามเรื่องคือหนึ่งมีความกล้ากว่าสองมีสติมากกว่าแล้วก็สามมีโอกาสได้ประพฤติธรรมจันทร์ หรือว่าการได้ปฏิบัติธรรมนะการได้เจริญก้าวหน้าในองค์ ม, นะมาารรคพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงชีวิตอันประเสริฐไม่ได้หมายถึงการไม่ครองเลือนอย่างเดียวอันนี้คือความได้เปรียบนะของมนุษย์ที่เหนือกว่าเทวดานะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันนะว่าเรามีอะไรที่เหนือกว่าเทวดาบ้าง ถึงแม้ว่าเราจะอายุสั้นกว่าน้อยกว่านะแต่ว่าเรามีต้นทุนบางอย่างนะที่เหนือกว่าเทวดานถ้าเรารู้จักใช้สิ่งที่เรามีที่เป็นต้นทุนเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราก็จะเหนือกว่าเทวดาได้คือ ความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทมสร้างสมคุณงามความดีนะใช้สติเนี่ยเป็นเครื่องพาใจให้เห็นความจริงเห็นสะจะัจธรรมมีความกล้าไม่กลัวประสัทนะแม้ที่ไหนก็จะแม้จะทำสิ่งที่ยากก็ไม่กลัวนะยังกล้าทำเรียกว่ายอมตาย อย่างที่พระพุทธองค์ได้เป็นแบบอย่างที่เคยพูดไว้เมื่อสองวันก่อนว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งและแม้จะกระดูกเส้นเอ็นนี่ก็จะเสื่อมสลายไปก็จะยังไม่หยุดยั้งบำเพ็ญความเพียรเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ที่มนุษย์ควรเข้าถึงจะทำนี้ได้ต้องมีความกล้านะ จริงๆเขาคำว่าวิริยะหรือความเพียรเนี่ยวิริยะก็กับวีระคือความกล้าเนี่ยมันใกล้กันมากถเทวดานี้ก็อาจจะกล้าไม่เทวดานี้กล้าไม่ไม่เท่ามนุษย์นะเพราะว่าเทวดานี้ติดสบายก็อะไรเป็นทิพย์หมดเน้นนะวิมานทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์หรือทิพยสุข พอได้แล้วก็หลงหรือว่าติดในความสุขแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ค่อยกล้าเสี่ยงไม่ค่อยกล้าลำบากเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ต่างจากคนร่ำคนรวยเกิดมาในกองเงินกองทองเนี่ยจะให้ไปลำบากเขาก็ไม่กล้านะจะให้มาอยู่วัดในที่กันดารแบบนี้เขาก็ไม่กล้า นะอาหารก็ไม่อร่อยนะเพราะเขาเคยกินแต่อาหารดีๆจะมาอยู่ป่ากินอาหารที่ตามมีตามได้หรืออาหารที่นะของชาว บ, บ้านเขาก็ไม่กล้าจะมาอยู่กุฏนะิไม่มีไม่ติดแอรนะ์หรือว่าไม่บุกมุ่งลวนมีตูกแก้ก็กลัวถ้านะนะคนรวย เขาจะกลัวโน่นกลัวนี่เขาไม่กลา้าที่จะมาลำบากทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันเป็นของดีนะจะมาปฏิบัติรมก็ต้องยอมลำบากเทวดาก็แบบนี้แหละเทวดาไม่กลา้าเทียบกับมนุษย์เราไม่กลานะ้าแต่มนุษย์เรานี่กล้าได้กล้าเสียโดยเพราะถ้าเกิดว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทําความดีแล้วเนี่ยก็ไม่กลัวลําบาก อย่างพระโสนะที่เล่าเดินจงกรมจกนกระทั่งเท้าแตกเลือดนะนองเลยนะเลือดซิปไหลามาเป็นทางเลยก็ยังไม่เลิกนะเดินไม่ได้ก็คลานเอาคลานจนมือและหัวเขานี่เป็นแผลก็ยังไม่เลิกแต่เนื่องจากวางใจไว้ไม่ถูกพระพุทโธงก็เลยมามาสอนเรื่องพินสามสาย ว่าอย่าอยาตึงเกินไปแล้วก็อย่าหย่อนต้ให้ให้ให้วางใจพอดีพดีนะให้ทําความเปลี่ยนอย่างพอดีเรียกว่าวิริยะสมมตานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่ทมีความกล้านะและความกล้านี่มันก็ทําให้เกิดความเพียรมนุษย์เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะ สู้เทวดาไม่ได้ไม่มีอิทธิฤทธิ์นะแต่ว่าเรามีต้นทุนบางอย่างที่ดีกว่าและถ้าเราใช้ต้นทุนนี้ให้เป็นประโยชน์นะก็สามารถจะทำให้มนุษย์เหล่านี้เหนือกว่าเทวดาได้นะก็คือเมื่อทำความดีจนกระทั่งได้เป็นพระอริยบุคคลนี่ถ้าเทวดาก็ยอมนะ จริงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันด้วยเทวดามารพรหมก็เคารพสรรเสริญก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามนุษย์เราก็ยอมตัวอยู่ใต้เทวดานับถือเทวดาคอยพึ่งพาเทวดาคอยบนบานสารกล่าวเทวดาเพราะว่าไปคิดว่ามนุษย์เรานี่ยต่ำกว่าเทวดา โดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราสามารถที่จะอยู่เหนือเทวดาได้ถ้าเราทำความดีแล้วก็พัฒนาตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมจริงๆทำความดีก็ยังไม่ยังไม่พอนะต้องเรียกว่าทำกรรมฐานหรือว่าพิจารณาอย่างเห็นความจริงจนเกิดปัญญา หลุดพ้นจากกิเลสเป็นขั้นๆได้อย่างเช่นเป็นอย่างขั้นต่าก็เป็นพระโสดาบันถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็จะอยู่เหนือเทวดานะเทวดาก็เคารพกราบไหว้แล้วก็ถ้าพัฒนาตนจนกระทั่งไปถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านะเทวดาก็น้อมเคาน้อมเคารพคำนับอันนี้คือเหตผลว่าทาไมมาร มานี่ถึงพยายามหาทางขัดขวางไม่ให้นมนุษย์ปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์หรือว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมมานี่ก็จะคอยแกล้งคอยขัดขวางคอยชวนให้หลงนะชวนให้ใครปฏิบัติธรรมก็บอกว่าปฏิบัติธรรมทาไม บุญก็มีเยอะอยู่แล้วนะไปทำบุญให้ทานรักษาศีลก็พอแล้วนะไม่ต้องมาทำกรรมาฐานก็ได้หรือบางทีก็ชวนให้ไปนมนาพระพุทโธให้ไปกลับไปของรราชสมบัตินะไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมหรือบางทีก็ล่อลอกให้ให้กลับไปบำเพ็ญทุกรกรรกิริยาอันนี้สมัยที่พระองค์ยังไม่ได้ตัดสุรุปเป็นพระติจ้านะก็โดนมาล่อลอก นะเพระมารกลัวว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงจนพ้นทุกข์ได้นี่ก็จะเหนืออยู่เหนืออำนาจของมารมานี่ก็เป็นเทวดานะเป็นเทวดาชั้นต่ำอยู่ในชั้นกรรางอมตจรอยู่ก็ยังติดในกามอยู่มนุษย์เราถ้าเราพัฒนาตนจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงก็จะอยู่เหนือกามกิเลสอันนี้มารก็ไม่ยอมกลัวว่าจะ สูญเสียอำนาจก็ต้องพยายามหาทางลอดหลอกให้มนุษย์เราหลงวนหยุดกับในเรื่องของวัตตดสงสารก็ทำดีไปทำบุญให้ทานไปรักษาศีลไปแต่ยามาปฏิบัติธรรมโดยพ่ะมาเจริญก้าหน้าในองค์มรรคนี้ก็จะไม่ชอบนะเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์เร า, ามีความสามารถที่จะเหนือ อยู่เหนือเทวดาได้และพอเราพัฒนาตนจนถึงขั้นหนึ่งเช่นเป็นพระอริยบุคคลแล้วนี่ท่านก็ไม่กลัวนะไม่กลัวเทวดาอย่างเมื่อวานนี้พูดถึงอนาถบินทิกาเศรษฐีแล้วก็มีตอนหนึ่งเนี่ยคือเนื่องจากท่านเนี่ยบำเพ็ญบำเพ็ญทานมามันให้ทานรักษา รักษาศีลแล้วก็บาเพ็ญกุศลทรัพย์ทรัพย์สินที่มีก็ล่อยหลอล่อยหลอเลื่อยหลอจนกระทั่งก็เรียกว่ายากจนก็มีเทวดาตนหนึ่งเนี่ยที่อยู่บนซุ้มประตูซุ้มประตูบ้านนั่นนะก็มามัแนะมาบอกว่าให้ท่านอนาถปิฎิกาเนี่ยเลิกให้ทานเลิกทาบุญได้แล้วถ้าเลิกทาบุญเมื่อไหร่ก็จะมั่งคั่งร่ำรวยกลับมาเหมือนเดิม นะอันนี้เทวดาเทวดานี่คงอิจฉานะหรือว่าอยากจะอยากจะได้ประโยชน์เพราะว่าเวลาพระมาทำบุญเวลาพระมารับมาฉันที่บ้านท่านนานบินิกะเนี่ยเทวดาก็จะต้องลงมาลงมาจากซุ้มประตูเพราะว่า อยู่เหนืออยู่เหนือพระไม่ได้โดยเพพาะาเป็นพระริยบุคคลทั้งนั้นเทวดาก็ต้องลงมาเทวดาก็ขี้เกียจเหมือนกันนะลงมาบ่อยๆก็ลำคาญไม่อยากจะให้ท่านอนาตพิทิกาเนี่ยนิ ม, มนต์พระมาอยู่ประจำก็เลยก็เลยแนะนำให้เลิกทำบุญบราะว่าแทนที่จะท่านอนาตพิทิกาแทนที่จะเชื่อนะ กับไล่ไปเลยไล่เทวดาออกไปจากบ้านไม่ให้อยู่ละเทวดาก็ก็ต้องไปนะเพราะว่าเจ้าของบ้านไล่แล้วแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านที่ดีด้วยเทวดาไม่กล้าใช้อิทธิฤทธิ์นะกับท่านอนาตติติกะพอไล่ไปแล้วก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ทำงานก็ต้องไปขอร้องเทวดาที่สูงศักดิ์กว่าว่าขอให้ช่วยด้วยช่วยด้วย เทวดาก็ไม่ยอมช่วยนะพเพราะไม่กล้าแมกลัวท่านอนาตตพิทิกะได้แต่แนะนำว่าเนี่ยให้ให้ไปแก้ตัวด้วยการไปไปเอาทรัพย์สมบัติของท่านอนาตตพิทิกะที่เคยถูกน้ำพัดพาหายไปนะท่านเคยฟังไวหลิมน้ำแล้วก็ถูกน้ำพัดพาหายไป บอกให้ลองกลับไปเอาทรับย์สมบัตินันมาคืนให้ท่าน อ, น, อนาตปิธิกะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะยกโทษให้นัเทวดาวก็ทำตามนะต้องไปทำความดีมาชดเชยไถ่บาปแล้วก็ขอโทษสารภาพผิดนะถึงตอนนั้นแหละจึงได้กลับมาอยู่บนซุ้มประตูเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่ามนุษย์เราเมื่อพัฒนาตนนะจน เป็นพระรยะบุคคลแล้วเนี่ยแม้แต่เทวดานี่ก็ต้องยอมนะเพราะในในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสูงหรือต่ําเนี่ยมันอยู่ที่ความดีนะอยู่ที่ความดีถ้าทําความดีถึงขั้นหนึ่งแล้วนี่มนุษย์เราก็สามารถจะอยู่เหนือเทวดาได้แต่มนุษย์เราไม่รู้เป็นเพราะความหลงก็ทําให้เราเนี่ย วังพึ่งพาเทวดาชอบบนบานสารกราวเทวดาเพราะเราไม่มั่นใจในความดีของเราแต่ถ้าเรามั่นใจในความดีของเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเมื่อเราต้องรู้จักพึ่งตนเองแลการพึ่งตนเองของมนุษย์โดยเพราะการทําความดีหรือการทําความเพียรเป็นสิ่งที่ จะทำให้เราสามารถจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาความสามารถของใขรบางทีสามารถที่จะทำในสิ่งที่เทวดาห้ามไม่ได้ขัดขวางไม่ได้นะก็มีนะในพระไตรปิฎกเล่าถึงเรื่องของ กษัตริย์สพระองค์ทำสงครามกันก็มาถึงขั้นประจันหน้ากันกษัตริย์องค์หนึ่งก็ให้ปุโรหิตเนี่ยไปถามพระอินทร์ว่าทำสงครามครั้งนี้เนี่ยจะชนะไหมพระอินทรก็ตอบว่าชนะแน่นอนพอชนะเข้าทำยังไงกษัตริย์ที่รู้คำตอบก็เลยประมาทไม่ มีการฝึกฝนทหารหรือว่าเตรียมรีพลเท่าไหร่เพราะขนาดพระอินทร์บอกว่าต้องชนะแน่ก็เลยไม่ได้กระตือหรือล้อนอะไรกษัตริย์อีกข้างหนึ่งพอรู้ว่าจะแพ้แทนที่จะท้อถอยก็เตรียมตัวเต็มที่นะมีการฝึกรีมมพนมีการวางแผนอย่างดี แล้วพอถึงเวลาทำสงครามกันก็บอกว่าฝ่ายที่พระอินทร์บอกว่าจะชนะนี่กลายเป็นแพ้ฝ่ายที่เรียกว่าดวงชะตาบอกว่าจะแพ้นี่กลายเป็นชนะกษัตริย์ฝ่ายที่แพ้ก็เลยโกรธโมโหให้ปุเรหิตไปถามพระอินทร์ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระอินทร์ก็พูดเสียงอ่อยๆว่าหน้าความเปพี่ยงของมนุษย์นี่เทวดานี่ ก, กันไม่ได้มนุษย์เราเพื่อทําความเพียรแล้วนี่จะเรียว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไดนะ้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้มีใครสอนเท่าไหร่นะนอกจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่ท่านเน้นให้มนุษย์เราทําความเพียรให้ตระหนักว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ย ประเสริฐที่สุดนะก็คือความเพียรแล้วก็ความความดีงามเดืพอพถ้าเราสามารถจะพัฒนาตนจนกระทั่งนะมีปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมได้ให้สำคัญมากทำความดีให้ทานรักษาศิ่จะไม่พอนะก็จะยังหลงวนอยู่ในวัตฏะสงสารได้ มนุษย์เรานี่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสา ร, รได้ก็เพราะการมีปัญญานะเป็นมีปัญญาอย่างเห็นความจริงรูนะ้แจ้งในศสัจธรรมจงกระทั่งปล่อยวางจากความยึดถือขุดลอกถอนกิเลสออกมาจากใจได้ก็คือหลุดพ้นจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนะในตัวกูของกูนี่แหละสำคัญที่สุด ถ้ายังมีตัวกูอยู่ยังมีความสําคัญเป้าหมายในตัวกูอยู่ก็ยังต้องหมุนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารมีกูเป็นผู้ตายมีกูเป็นผู้เกิดนะมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธิแท้นี่ก็จะไม่มัวแต่หวังพึ่งพิงอ้อนวอนเทวดาเราจะถือว่ามนุษย์ ถือว่าเทวดาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมวัตตาสงสารร่วมเกิดแก่เจ็บตายต่างคนต่างก็ทาหน้าที่ไปนะมนุษย์เราก็ทําความดีไปเทวดาก็มีหน้าที่ช่วยเหลือคนดีแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเหลือคนดีก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเราก็ทาหน้าที่คือทาความดีไป และการทําความดีนี่จะเรียกว่ามันคือการเพิ่มต้นทุนที่เรามีก็ได้นะคนเราเนี่ยจะชีวิตจะมีความสุขจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีต้นทุนเท่าไหร่แค่ไหนเท่าไหร่เท่านั้นนะแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ต้นทุนนั้นอย่างไรด้วยอย่างคนพิการเนี่ย ต้นทุนเขาก็น้อยกว่ามนุษย์คนปกติธรรมดาคนพิการที่ไม่มีแขนบางทีไม่มีขาตั้งแต่เกิดอันนี้เรียกว่าเขามีต้นทุนมาน้อยกว่าพวกเราซึ่งเป็นคนปกติอาการสายสองครบแต่ถ้าคนพิการเขามีความเพียรเขาพัฒนาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะเขาก็สามารถจะทํา สิ่งที่เหนือกว่าคนปกติธรรมดาอย่างมีคนหนึ่งนี่เขาไม่มีแขนเลยเขามีแต่ขาเขาก็สามารถเล่นเล่นดนตรีเล่นกีตาร์กีตาร์คลาสสิกด้วยแล้วก็เล่นได้เพลาะมากแล้วคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะหรือว่าถ้าไม่เพียรพยายามก็ทําไม่ได้นะอย่างพวกเรานี่จะไป แม้จะไปเล่นกีตาร์ไปฝึกกีตาร์มาเป็นปีนี่ก็อาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขาฝึกมานานใช้เท้านะใช้เท้าดีกีตาร์ขนาดมือของเราเนี่ยทำอะไรคล่องแคล่วได้กว่านิ้วเท้าของเขามือเราเนี่ยนะทำอะไรได้คล่องแคล่วกว่านิ้วเท้าแต่ว่าเท้านี่ถ้าฝึกมามันก็สามารถจะทำอะไรที่ประณีตละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน เล่นกีตาก็เล่นได้เพราะมากบางคนก็ไม่มีมือแต่ใช้ปากเนี่ยวาดภาพใช้ปากเนี่ยขีดพูกกันกัดพูกกันแล้วก็วาดภาพก็วาดได้สวยนะทนั้งๆที่เขาเกิดมามีน้อยกว่าเราแต่ว่ามีน้อยก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์แค่ไหน เหมือนกับแม่ครัวแม่ครัวบางคนก็ จ, จะมีเครื่องครื่องเครื่องครัวน้อยมีเครื่องครัวน้อยมีวัตถุดิบน้อยแต่ถ้าเขามีความภาคเพียรมีความเก่งเ้าก็สามารถจะทำอาหารให้อร่อยได้อาจจะอร่อยกว่าแม่ครัวที่มีเครื่องครัวเยอะมีทุกอย่างนะแต่ว่าไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความสามารถเพราะไม่ได้ฝึกฝนมา คนเราเนี่ยอย่าไปมัวท้อแท้ว่าเรามีต้นทุนน้อยเรายากจนเร า, เ, าเกิดมาลำบากหรือว่าเราเกิดมาพิการอันนั้นไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีให้เต็มที่แค่ไหนก็คล้ายๆกับเรื่องนิทานกระต่ายกระเต่านะ กระต่ายนี่ต้นทุนเนี่ยมันดีกว่าเต่าเยอะกระต่ายนี่ต้นทุนก็คือวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วถ้า ต, ตัวเบาเต่าเนี่นะเดินชา้าต้วนเตี้ยมแถมยังตัวหนักซะอีกพูดถึงต้นทุนแล้วเต่าสู้กระต่ายไม่ได้เลยแต่เนื่องจากกระต่ายเนี่ยขี้เกียจนะประมาทวิ่งไปได้สักหน่อยก็หยุดละนอนส่วนเต่านี่ สังวรเจียมตัวดีว่าฉันเดินช้าเพราะฉะนั้นฉันต้องมีความขยันหมั่นเพียรเดินไม่หยุดกระเตาก็เดินไม่หยุดนะโจทั้งไหนสุดก็ชนะก็ะตายได้นะนิทานกระตายกระเตา่ตานี่มันสอนใจได้ดีกระต่ายนี่ก็จะเป็นกระเทวดานะนะมีต้นทุนเยอะทําอะไรได้มากมายมนุษย์เราก็เหมือนกระเตา่านะเราก็ขานตุมเตรียมตุมเตรีย ม, ต ม, ต ม, ต ม, ตมแต่เรา สิ่งที่เรามีมากกว่าก็คือความเพียรมีความไม่ประมาทมีความกล้านะกล้าได้กล้าเสียแพ้ก็ไม่กลัวแต่ขอให้ทําเต็มที่แล้วนะก็กลายเป็นชนะได้เหมือนกันนะอันนี้คือคือคติความเชื่อของชาวพุทธนะว่าเราไม่พึ่งพาเทวดาเราพึ่งพา ความเพียเราเพึ่งพาความดีและความดีนั่นแหละนาะที่จะรักษาเราให้ปลอดภัยได้ให้ความดีนี่มันก็เป็นปาฏิหารมิมอนกันนะเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหารมิมอนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยความดีเช่นการมั่นคงในสัจจะเนี่ยก็เป็นก็สามารถทำให้เกิดปาฏิหาริได้ะในชาติโลกนี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิทธิฤทธิของปา ฏ, ฏิหาริที่เกิดจาก ความมั่นคงในสัจจะมันมีคำหนึ่งในพุทธศาสนาคือสัจจกิริยาสัจจกิริยานี่หมายถึงว่าการอ้างอิงสัจจะเวลามีปัญหาเวลาประสบเหตุประสบภัยแทนที่จะอ้อนวอนเทวดาท่านบอกว่านี้ให้ให้เลิกลึกถึง ความดีหรือสัจจะแล้วก็มั่นคงในสัจจานั้นสัจจานั้นก็สามารถจะทําให้เกิดปาฏิหาริย์ได้เหมือนกันเป็นฤทธิ์แบบหนึ่งในชาดกมีเรื่องเล่าเยอะนะไฟไมมป่าลูมนกนี่อยู่ในอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในลังนะไม่รู้จะทํำยังไงบินก็บินไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่อยู่ ก็อ้างสัจจะว่าเนี่ยเป็นเป็นนกไม่เคยทำตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำบาปไม่เคยทำชั่วด้วยอำนาจแห่งความจริงอันนี้ด้วยอำนาจแห่งสัจจะ น, นี้ก็ขอให้ปลอดภัยด้วยก็ปรากฏว่าไฟมันก็เปลี่ยนทิศ ท, ทางเลยนะอันนี้เป็นอำนาจของสัจจะของนกตัวน้อยๆรูป น, นกมีเรื่องหนึ่ง ลูกเนี่ยเสียชีวิตนะถูกถูกงูพิษกัดนะก็คงยังไม่ทันเสียชีวิตทีเดียวนะกำลังจะตายกําลังจะตายเพราะถูกงูพิษกัดพ่อแม่กับพรามตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงยาก็ไม่มีสมัยก่อนมันก็ไม่มีเซรั่มนะ พ่อแม่แล้วก็พราหมณ์นี่ก็เลยอ้างสัจจะอ้างความจริงจังแม่นี่ก็อ้างว่าอ้างสัจจะว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีความมีความรักในสามีเท่าไหร่นะบางครั้งก็ไม่มีความรักในสามีแต่ว่าก็พยายามตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่นอกอกนอกใจสามี ดด้อยหน้าถึงความจริงนี้นะก็ขอให้ลูกพ้นภัยด้วยส่วนพ่อนี่ก็อ้างสัจจานะไม่รู้จะอ้างอะไรก็บอกว่าบางครั้งมีมีนักบวชมามีพระมาตัวเองก็ไม่อยากต้อนรับหรอกแต่ว่าก็จําเป็นต้องต้อนรับนะถือเป็นหน้าที่ดด้อยหน้าถึงความจริงนี้นะก็ขอให้ ลูกนี่ปลอดภัยด้วยส่วนพราหม์พรามนก็คือพระโพธิสัตว์นะชาติดงนี่เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ก็อ้างว่าอ้างความจริงว่าตั้งแต่บวชมาก็ไม่มีความเรียกว่าไม่มีความแน่วแน่หรือมีความสุขในชีวิตพรหมจรรย์เลยแต่ก็พยายามรักษาชีวิตพรหมจรรย์ไว้ด้วยความเรียกความกล้ากลืนฝืนทนนะ มาเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยนาถึงความจริงนี่ก็ขอให้ช่วยให้ลูกชายให้เด็กหนุ่มคนนี้นี่ปลอดภัยด้วยคือแต่ละอย่างที่อ้างเนี่ยเป็นความจริงที่ไม่ดีนะแต่ว่าเปิดเผยถ้าเมียก็พูดถึงความไม่ดีของตัวว่าเนี่ยจิตใจก็ไม่ได้รักสามีเท่าไหร่ส่วนคนที่เป็นพ่อนี่ก็อ้างว่าความดี ตัวเองก็ไม่ค่อยมีนะบางครั้งก็ไม่ค่อยอยากจะต้อนรับพระหรือว่านักบวชเท่าไหร่พระรามก็เหมือนกันก็พูดถึงความที่ตัวงนี่ไม่ค่อยมีศรัทธามั่นคงในพระปรจันนะแต่ก็บวชมาจนกระทั่งป่านนี้การเอาความดีการเอาความจริงแม้ว่าจะเป็นความไม่ดีของตัวเนี่ยมามันก็มีอนานาจเหมือนกันนะปรากฏว่าในที่สุด เด็กหนุ่มคนนั้นก็ฟื้นฟื้นจากความฟื้นจากผิดเนี่ลอดตายเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของเป็นตัวอย่างในชาดกที่เห็นว่าความจริงมันก็มีอนุภาพเหมือนกันนะเป็นปฏิหารเหมือนกันนมาจะเป็นความดีแม้จะเป็นความจริงในเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าหากซื่อตรงตรงไปตรงมานะยอมรับยอมรับผิดหรือว่า ยอมรับความไม่ดีของตัวได้อันนี้มันก็มีอนุภาพเหมือนกันเรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องอ้างเทวดาเลยหรอกอ้างความดีของตัวก็พอหรืออ้างสัจจะที่ตัวงได้ทำมีความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ความสัสจจะนั่นแหละนะมันก็จะเป็นพลังได้อันนี้ก็คือท่าทีของชาวพุทธนะ ที่เราควรจะจะตระหนักเอาไว้นะอย่าไปหวังพึ่งพาเทวดานะก็ถือว่าเทวดากนี่ก็เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนร่วมวัฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราก็ทำหน้าที่ของเรานลก็คือว่าทำความดีปฏิบัติธรรมพัฒนาตนให้มีสติมีปัญญามากขึ้น แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมะนั่นแหละจะช่วยปกปักรักษาเราได้เอาล่ะก็เช้านี้ก็พุทธานี้พอแม่ออกก็เตรียมลาศี